งธรรมต่ออี ก, อกเพื่อ <c oughs> เกิ <c oughs> สิ่งที่เราจะต้องได้ชำนิชำนานในการใช้ชีวิตโลกเราเป็นถือว่าเป็นนักกรรมฐานสร้างสติ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 เอกานิคังฆ์ฉันอาหารมื้อเดียวเป็นวัดในบินทบารดเป็นวัดเตือผ้าสองพื้นเป็นวัดอะไรต่างๆที่แล้วแต่เราจะสมาทานเพื่อให้แปลงการพัฒนาชีวิตของเราในการพัฒนาชีวิตของเราที่เป็นวัดต่างๆว่าเป็นประโยชน์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 ชีวิตใหม่นว่าชีวันชีวิตใหม่เอี่ยมไม่เปิดไม่เพื่อนความหลงเปื่อเพื่อนความโกรธเปิดเพื่อนความทุกข์เปิดเพื่อ น, อ, นอะไรต่างๆทำให้เปิดเพื่อนในกายในใจก็มีสติก็บริสุทธิ์หรือว่าพรหมจรรย์หมดจดจากเครื่องเศร้หมองในโลกโกดหลงเป็นต้น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 ไม่ใช่กายอันใหม่ใจอันใหม่ปัญหาก็ไม่ใช่อันใหม่เ <c oughs> ่ <c oughs> องหลงเป็น <c oughs> บิดามารดาความชั่วของลูกส <c oughs> ึกตัวเป็นบิดามารดาความดีก็ <c oughs> มีเท่านี้กายอยู่ไหนใจอยู่ที่ไหนก็มีความรู้ชนานไม่ใช่อยู่ที่นี่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 ปวดหัวใจไปด้วยรางแก้วรางถ้วยล่างหัวใจไปด้วยไม่เห็นยก่ตัวสนุกไปกับการงานแบกบานใจงานชอบมันปวดมันเป็นความชอบปวดบ้างก็เป็นงานชอบทำความศกปกให้เป็นของสดอดไปคิดว่ายากลําบาก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 แล้วก็เป็นหน้าโลกเห็นกายเห็นใจทุกแง่ทุกภูมิจนตื่นตื่นกายตื่นใจเลือกวพุทธโธพุทธโธตื่นวางอย่างตป่นจากความไม่เที่ยงตืกจากความทุกข์ความหลงความโกรธ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 ที่มันเดินเช่นแม่เอาเต่ามาให้ลูกเล่นเอาวางไว้มันจะคานหนีลูกคานด้วยไม่ไม่เป็นเอาให้เด็กน้อยดูแล้วเวลามันจะคานไปแม่ก็หงายท้องมันขึ้นมามันก็ดิน้นเนวาๆคานไม่ได้ลูกก็ดูไปป้นมันให้มันหงาย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 นาไดเย็นแจ็กหลับต่อเองโกนาคโนอีกธาที่สองซ้อนลงไปศาสตร์แจ๊กโอ้โหเจ้าตัดชรูขึ้นอีกแล้วเลยสองกกหลับต่อเปงโกโกตชะโปแจ็กลงไปธาที่สามตื่นเหโอ้โหเจ้าตัดชรูขึ้นแล้วเลย จนถึงโคตมโมคือพระพุทธเจ้าห้าปองผ่านไปแล้วกลาลนาคยังนอนไม่ตื่นได้ยินแต่เสียงถาดแล้วก็รั่วตัดรู้แล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเองเลยหลับเพลยไปเป็นกลนาลนาคอย่างนั้นเลยชื่อของเราควงดีมีเยอ ะ, ะทําไมไม่ตื่นสักตีความชั่วมีเยอะๆทำไมไม่ ตื่นแท้ตีถ้าไม่ตื่นนันนี่นะเป็นกระนาดแน่นอนนั้นหลงกายังหลงอยู่ได้ถ้าจะตื่นขึ้นมารู้ขึ้นมานะมันจะต่างกันมากมากเลยนะตรงนั้เหมือก็แสงสว่างกำจัดขมเมืกนี่วะวิปชนาเกิดขึ้นแบบนี้นะตื่นหลงตื่นทุกข์ตื่นโกรธตื่สังขารทั้งหลายอืมเนะี่ย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 จึงจะพ้นจากความทุกนี้ได้ทำเช่นไหนก็พระเจ้าก็โชว์ไปเนี่ยอุทิศอราหารันตังสมาสัมปทางอุทิศคือทำตามทำตา ม, าตามอราหารันทำตามพระละหัน ตัวเจ้าทำงานไปเลยมองข้ามตกกันข้ามเห็นฝั่งท่นลุนอุทิศเาคือไปใช้คิดไปนั้นเราเห็นฝั่งแหวกว่ายไ ป, ไปอย่าจมลงไปอุทิศเจ้าหนังตังสมาชุมทางแล้วก็สาธยายพระสูต มาทุกวันเอาตามสูตรเนี่ยมันหลงไม่ลหลงเน่ยอุทิตสละหานตังถ้ารหัสคืออะไรคือไม่หลงพุทุชนคือลหลงท้ารหัคืออะไรคือไม่ทุกพุทธชนคือทุกโอทิตไปทนน่านอนท้ารหัสคืออะไคือไม่โกรธไม่โลภไม่หลงไม่ไมไมปรุง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 ต่อไปเห็นมันแจ่ไม่เป็นผู้เจ็เห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บพ้นจากความเจ็บมันตา ย, ายเห็นมันตายไ ม, ไม่เป็นผู้ตายตพ้นจากความตายในชีวิตนี้เองนี่ก็เป็นวันออกพรรษาวันนี้เมื่อวานเป็นมันปะวันะนาไม่ใช่ออกพรรษาแล้วนั้สารเกลวกกวยวโภคบโยุไม่ใช่ แ, บบและนะ้วนานา สนุกสนานเหมือนคนออกจากคุกไม่ใช่เหมืนไม่เหมือนคุกนะเอาพรรษามาถึงต่อไปข้างหน้าจะสะดวกหน้า <c oughs> พระกรรมฐานชีวิตกรรมฐานจะสะดวกใต้ฤดูฝนต้นรดูห น, หหนาวสะดวกมากสันมีพิษก็ไม่ดกยุงก็ไม่ดกงูก็ไม่ดูนอนที่ไหนก็ได้ใจใช้ชีวิตแตบทุดง